คุณณเลศก็คือคนที่ไปนิมนต์องหลวงตาลงมารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชคุณณเลศเป็นผู้ไปนิมนต์ด้วนเป็นปีนะั้นเป็นทันทอดกระถินนะพอทอดกระถินแล้วก็ลงตาก็ป่วยใครก็ไม่มีใครกล้านิมนต์แต่คุณณเลศเนี่ยก็เข้าไปกราบลงตาขอรับจากนากั้ก็เรยจัดเครื่องบิน รับองหลงตาลงมาก็เข้าไปที่รักษาศิริราชก็เมื่อไปรักษาแล้วก็ใครว่าสุดอกสุดใจสำหรับสิทธิานุสิตแต่ก่อนก็เมื่อหลงตาป่วยอยู่ทางนน้นก็ลูกศิษย์ลูกหาบางกลุ่มที่ได้รับอยู่ในเมืองนะเอ้ยทำไมไม่เอาลวงตามารักษาทำไมรักษาอยู่ทางนน้น ทำไมจึงใช้หมออยู่ทางนน้นหมอทางกรุงเทพของเรามีพร้อมอยู่แล้วทำไมไม่เอาลุงตามารักษาทีนี้อันนี้ก็ลุกสิทธิ์หนาหูขึ้นเรื่อยๆพอในสุกอะไรนี่มนอ่งลงตามาพอลงตามาแล้วก็เข้าไปสิริราชพอเข้าไปสิริราชกัหมอสิริราชก็ถ้าจะว่ายกธงขาวอาว่าได้เพราะว่า หลวงตาที่เป็นรักษาที่รักษาไม่หายยอมแพ้เมื่อยอมแพ้ก็จะรักษาตามอาการหลวงตาก็เลยตัดสินใจกลับวัดนี่แหละอันนี้ก็คือโยมที่ว่านี่แหละท่านเป็นแม่ของท่านอา ย, อยุมากแล้วทำบุญครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ <c oughs> เห็นความสำคัญ <c oughs> เ, เพราะว่า เป็นโยมขององค์หลวงตาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นวันนี้จะได้มาพักที่นี่วันพรุ่งนี้ก็จะได้ไปฉันที่บ้านของโยมแม่ของท่านและกับพระบางองค์ก็อยู่ที่นี่อยูน่นะคณะสัตยาญาติโยมถ้าผู้ใดอยู่ในละแวกนี้ก็ไม่ใช่ไปทั้งหมดนะพราะมาพระพระติดตามก็มี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 ของหลวงตาวิทยุเสียงธรรมของหลวงตาส่วนหนึ่งแล้วก็บำรุงเพื่อจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาอีกส่วนนึงสุดแท้แต่ผู้ใดใครจะรวบรวมจะถวายอันไหนใน2 ง, งานกับสุดแท้แต่มาคราวนี้เออรับเราทำบุญเกี่ยวกับเจดีย์มาคราวหน้าเออเราทำบุญกับสถานีวิทยุก็ได้ทั้ง2ได้บุญ2ออย่างเหมือนกันนะ พอใจเพราะว่าการทําบุญสร้างเจดีย์ขององค์ตาเนี่ยเพื่อบรรจุพระปรรมสารีพระบรรจพุพระพธาตุขององค์หลวงตาคือกระดูกหลวงตาเนี่ยหลวงตาเนี่ยท่านเนี่เป็นพระธาตุนะกระดูกของท่านกระดูกของหลวงตาเนี่เป็นพระธาตุไอ้ที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น อ, อันนี้ก็คือกระดูกพระหานพูกง่ายๆนะไอ้ที่เราพูดย่งังได้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 มีค่าใช้จ่ายไหมต้องมนะีเพราะนั้นเราก็ติดกันเทศบูชากันเทศขององค์หลวงตาทำไมย้อนใส่ตู้นี่แหะนะัมากและน้อยก็ไม่ว่ากันนะหลายๆคนก็มากเองอันนี้ก็คือการบูชาทำขององค์หลวงตาการสร้างเจดีย์เป็นการอามิชฌบูชาเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาได้บุญทางนั้นแหละคณะจตหายาตโยในวันพุ่งนี้นะ ไอ้วันมะรืนนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดแต่ละพวกเราจะได้ทําบุญทอดผ้าป่าอย่างที่ว่านะ่ยวิทยุเสียงธทำแล้วก็สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์แล้วก็พร้อมกันพิเศษพวกเราก็คงจะเห็นได้นะที่ลวงตรงนางองค์จะเป็นผู้มาทําไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะอันนี้ก็คือจะหล่อโลกเหมือนองค์หลวงตาวันที่ยี่สิบแปดเมื่อเราฉันอาหารทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงจะมีการหล่อหล่อองค์หลวงตาหล่อรูปเหมือนองค์ห ล, ว ง, หลวงตาเพื่อเอาไปปฏิจสฐานที่นหน้ลงพ่อยังไม่ได้ถามในรายละเอียดใ น, นวันวันนั้นละวันที่28พวกเราจะรู้ว่าจะเอาไปปฏิจสฐานะที่ใดอันนี้คือเป็นการรวมพลังทางฝ่ายพระสงฆ์ทงางฝ่ายคณะตธาญาติโยมร่วมกัน เ, เพื่อสร้าง รอลูกเหมือนองค์หลวงตาไปประดิษฐานเพื่อกาบไหวของพวกเราคณะสิทธญานุสิ์ทั้งหลายในละวันวันที่28จนะมีโอกาสบอกต่อๆกันและบอกกล่าวมาร่วมกันเนะ้อสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันที่วัดสวนแสงธรรมของพวกเรานะแล้วก็วันนี้หลวงพ่อได้มาถึงเห็นคณาตถาญาติโยมลูกลาน ได้มาร่วมกันไหว้พระสวดมนต์เมื่อกี้นีจบลงไปแล้วต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะได้ปารภด้วยวกล่าวสัมโมทนนิยกถาจบลงไปแล้วก็จะมีการฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาอีกอการหนึ่งที่หลวงพ่อเลือกไปแล้วอ่ะการอบรมด้วยสมาธิและปัญญานะเ่ที่องค์หลวงตาท่านบอกไว้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 ถึงชีวิตท่านจะตายไปท่านก็ไม่ยอม ล, ลวกละเมิ ด, ส, ด, นนะดนะสินถึงขนาดนั้นนะพระรหัตท่านจิตใจท่านผู้บริสุทธิ์แล้วนะท่านรักษาศิลถึงขนาดนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามปีใหม่ปีหนึ่งอย่างอย่างวันนี้นะเดีว๋ววัใกล้ๆนีนะ่วันปีใหม่พวกเราจะไปสวดมนต์ที่ไหนก็ไปสวด น, นะแต่ึงอยังไงก็ให้มีสิน สีเลนะสุกติงยันติผู้จะไปสู่สุคติได้เพราะศีลสีเลนะโพก็สัมปทาผู้ที่จะมีโพคะสมบัติมากมายร่ลำรวยโชคดีได้เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้เพราะศีล น, นี่แหละให้พวกเราอย่ามองข้ามเรื่องศีลของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้คือกฎระเบียบวินัยเนี่ย ที่จะให้พวกเราไปสู่สุขคติไปสู่ความสุขความเจริญอย่างที่หลวงพ่อได้ ก, กล่าวชีเลนัน้นสุกติิงยันติสีเล น, นโพประสัมปธาสี้นนในนิพุติิงยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้เพราะสินเพราะนั้นศินของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติสินสําหรับสำฆารวาสญาติรวมก็คือศินห้าสินแปดสินสมเรณงก็คือศินสิบ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 คือเงินและทองติดตัวไปอันตรายทำให้โยนผู้ร้ายเขาฆ่าพระค่าเ น, นได้พนี่พูดธเจ้าไปบัญญัติสินว่าห้ามมาให้สมณะเนรมีเงินและทองสิทข้อที่สิบของสมณะเนรแต่สินข้อที่เก้าลงมาเหมือนกับสินอุบาสกอุบาสิกาที่รักษาสินแต่สินเราจะแยกออกมาอีก ศีลห้าเนะี่ยตั้งแต่ห้าข้อลงมาเนะี่ยเป็นศีลที่คุ้มครองโลกเป็นศีลที่ควรจะประพฤติปฏิบัติเ่เป็นข้อห้ามอย่าทำถ้าทำไปแล้วไม่เป็นมงคลถ้าทำไปแล้วเดือดร้อนทั้งทั้งเขาด้วยทั้งเราด้วยเดือดร้อนแต่ศีลข้อที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เกนะ้าที่เจ็ดที่แปดเป็นศีลที่ว่าขัดเกลา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 ต้องพิจารณาเนะี่ยเพราะพระไตเจ้าท่านมองให้ทะ ล, ลุนะ่ะทะลุโป่งไปจนถึงขั้นชีวิตของพวกเราจะหาไม่แต่ว่าศินห้าเนี่ยเขาเราเขาเรานะเขาเร า, าเราเขานะคือเขาเราอย่างไงก็คืออย่างข้อที่หนึ่งสำหรับสินคราวตาตญาตโยมอยากกุบาศกอุบาธิกาอยากพวกเราท่านทั้งหลายศิลข้อที่หนึ่งอย่าฆ่ากันอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิต คือสรุปแล้วก็คืออย่าฆ่ากันถ้าเราไปฆ่าสัตว์สัตว์เขาก็กลัวตายเออจึงจะเป็นคางคกจิ้งจกตุกแกะอะไรก็ตามถ้าเราไปตีมันมันก็ร้องอ่ะเพื่อนกันน่ะกลัวตายเจ็บปวดฮะเออเพราะมันมันกลัวตายเนี่ยไปตี๊สัตว์สาราสิกตัวไหนก็ตามเขามาตีต่อยตบตีเราก็เหมือนกันเราก็เจ็บปวดเหมือนกัน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 อย่าขโมยสิ่งของของเขาถ้าเราไปขโมยเขาเขาก็รักสิ่งของของเขาถ้าเราเขามาขโมยของเราเราเราก็รักเหมือนกัน อ, อย่างที่หลวงพ่อขโมยขโมยคํา น, นี่มันสูงใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถนะ้ขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเขาไปเรียกค่าไทยอย่างนี้หรือเราไปเรียกค่าไทยของเขาเนี่ยเขามีทุกไหมเขาก็ทุกเราก็ทุกถ้าเขามาทําให้กับเราเพราะนั Judaism, ้นเหตุทารุสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้ขอ้อศีลข้อที่สองข้อที่สาม กามีสุภิชญาจาราเวรมนีสามีภรรยาคู่ชีวิตของไข่เขาก็รักสมวหวงแหนถ้าเราไปทำอะไรล่วงล้ำเขาแต่ละขั้นแต่ละคนเขาก็เสียใจถ้าเขามาทำให้กับเราเราก็เสียใจเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างรักต่างคนก็ต่างมีต่างคนก็ต่างหวงแหนสามีภรรยาลูกหลานของไข่ของเขาให้เคารพสิทธิ์เขา เขาต่างคนต่างเคารพสิธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือศีลข้อที่สาข้อที่สี่มุษาอย่ากโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเขาเขียนเช็คเดงให้เขาโกหกเขาเรื่องเอาของเก๋เอาไปขายว่าของแท้เอาตะกัวไปซุกทองเอาไปขายให้คนว่าเป็นของแทะก้อนหินเอาไปขายว่าเป็นเหล็กไรอันเหล่านี้เป็นต้นนะ อันนี้ใครเาบอกหลอกโกหหลอกลวงเขาถ้าเขามาโกหหลอกลวงต้มตุ๋นเราเราก็เสียใจถ้าเราไปทําห้กับใคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้ระวังอย่าทํำถ้าว่าโกหเรารู้แก่ใจแล้วว่าอันนี้โกหกนั่นเรารู้แก่ใจแล้วอย่าไปทําอย่าไปหลอกลวงต้มตุนเขาถ้าเขามาทําให้กับเราเราก็เสียใจถ้าเราไปทําให้กับเขาเขาก็เสียใจเพราะฉนั้นให้เคารพซึ่งกันและกัน อันนี้คือสี่ข้อที่สีข้อที่หสุราเมระยะอย่าไปดื่มสุราและเมลยัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร์จากนั้นก็ท่านสงเคราะห์คัญชายาฝิ่นเฮโรอินาย า, นนนนยาบ้ายาม마โคเคนมีเยอะแยะทุกวันนี่ถ้าเสพแล้วดื่มเข้าไปจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นน้ําเปล่าก็ตามถ้าดื่มเข้าไปแล้วมันเมาขาดสติแปลว่าน้ําอันนั้นใช้ไม่ได้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 ข้อที่สี่มุสาเกาวโกหกต้มตุ๋นหลอกหลอกลวงใครก็ได้เพราะขาดสตินะแต่ขาดสติจริงๆมันก็ทําไม่ได้แหละใครๆใครขาดสติพราะกล้าๆเนี่ยกล้ากบควๆนี่ยครึ่งๆกลางๆพราะบ้าๆบองๆเนี่ยมันทําได้ฮะเออนี่แหละท่านบอกว่าถ้าคนคิดให้ดีแล้วจะไม่ทําในสิ่งเหล่านั้นอันนี้ถ้าย้อมดื่มสุราย้อมใจเข้าไปแล้วมันทําได้เออเพราะนั้น สินข้อที่ห้าเป็นสินข้อหนึ่งหลวงพ่อเปรียบเทียบ ว, ว่าสินข้อที่ห้าเหมือนกับหลังคาหลังคาศาลาของเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีหลังคาไม่มีแนวมุมศาลาของเราเนฝนตกลงมากลัลลลงมาพื้นเสียหายหมดถ้าหาว่าแดดลงมาก็เสียหายหมดเพราะเหตุอะไรเพราะไม่มีหลังคามุงเนยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าสินข้อที่ห้า ใ, ใคร ประพฤติแล้วว่าทำสินข้อที่ห้าไม่ครบในสินข้อที่ห้าแล้วเนะพอดื่มเข้าดื่มสุราเข้าไปเท่านั้นแ่ะเหมือนกับหลังคาั่วกนะเลยถึงแดดลงมาฝนลงมามันลวกลงพื้นหมดเสียหายหมดสินข้อที่เท็งกระจุยข้อที่สองที่สามที่สี่ขาดกระจุยไปหมดเพราะอะไรคนขาดสตินี่แหละสินข้อที่ห้าเป็นสินที่สมควรจะสำรวมระวังอแล้วก็ข้อที่หก วิการละโภเราจะไม่ทานอาหารในเวลาวิการอันนี้คือเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสทีนี้ถ้าคนทานอาหารติดในรถอาหารไปที่ไหนไม่ได้เพรา ะ, ะไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้นะั้นไปไม่ได้ติดในรถอาหารพระเจ้าอ๋อถ้าตัวเองป่วยตายเข้าไปล่ะจะกินได้ไหมต้องอดดูสิทดลองงดดูีอิอย่าไปส่งเสริมลิ้นเกินไป ใช่ตัดออกใช่อย่าไปอย่าไปทานอาหารมันติดรถติดกลิ้นพระเจ้าท่านสอนนะข้าหลวงเป็นเครื่องขัดกลาวแล้ได้ท่านหนให้ให้ให้ดูตัวเองเอวิการลโพหลังจากนั้นก็ น, นัดจะขี่จะฟังเสียงร้องรำทาเพลงบางคลกับไปไม่ไดต้ติดเสียงละครจิติดเสียงเพลงหมอลำอ่าพอมาได้ต้องได้ยินได้ฟังสัก่อน จึงนอนหลับคนนั้นไปที่ไหนไม่ได้พราะพรุทธเจ้าบอกว่านี่นะอย่าไปติดในเสียงในหูมันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกเสียงมันก็เท่านั้นแหละมันหูกเ็เสียงเสียงกับหูมันก็เท่านั้นแหละมันไม่มีประโยชน์อะไรขัดให้มันมีแต่เรื่องกิเลสมีนจะทำให้ตัวเองทุกข์เท่านั้นแหละ อันนี้ก็คือสินข้อที่ 7— ข้อที่ 8— มาลาเราจะไม่ทัดชงดอกไม้ของหอมไม่ลูกไรของมีกลิ่นบางคนถ้าไม่มีของมีกลิ่นไม่ได้ต้องอบล้วยน้ําอบน้ําหอมทาให้ตัวเองมีกลิ่นหอมอยู่เสมออันนี้ก็คือสินข้อที่ 8— ดข้อที่ 9— ้าตามไม่จริงข้อที่ 8— ดข้อที่9ก้าท่านรวมกันนะแต่แตามไม่จริงมัน8ดข้อจะรวมันแล้วเป็น9ข้ออุจจารยนะมหาสยนาะ คือเราจะไม่นอนที่นอนที่ใหญ่ยัดนุ่นแล่สำลีเอออันนี้คือไม่ให้ติดที่อยู่ที่นอนจนเกินไปบางคนก็ไปไหนไม่ได้เพราะติดที่หลับที่นอนนี่พระพุทธเจ้าเ อ, อเวลาคนจะตายนะนะ อ, อยัดเขาไปในหีบลเล็กๆเออหนาเพียงกว้างเพียงเอศ อ, อกเดียวท่านเองเอ อ, เ อ, อแล้วก็ น, นอนอยู่ในนั้นเออไม่เห็นว่าจะบ่นจะว่าอะไร ต้องคิดถึงจุดนั้นบางสิเพราะนั้นเราจะไปติดที่หลับที่นอนจนเกินไปสิ่งเหล่านั้นก็เออใช่เมื่อมีแล้วก็ใช้ไปแต่จะไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับของกินของอยู่ของใช้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นงเกินไปอันนี้แปลว่าถ้าถ้าเปรียบเทียบกับพระกับพระทุลงพระถือทุดงแต่สำหรับจัตวาญาโจรก็ว่าญาญโยมขัดเกากิเลสถือทุลงด ง, ดงยอมถือทุดง ไม่ทานอาหารไม่ฟังเสียงร้องรําทําเพลงไม่ทัดทรงดอกไม้ของหอมหรูปไร้ารูปของหอมไม่นอนที่นอนที่จัดนุ่นและสำลีอันนี้ก็คือศีลของของศรัทธาญาติโยมศีลของสัมมเนร์นเพิ่มก็อีกเราจะไม่รับเงินและทองหรือยินดีทองและเงินเพราะว่าพระเดสมมเนรไปอยู่ป่าลงพงไฟอยู่วัด เดี๋ยวเขามาป้นมาฆ่าพระฆ่าเนรได้พระองค์มาเห็นพกเงินพกทองอันนี้ก็คือสินของสา ม, มเณรสินของพระเนี่ย2องอี่เดันนี้กว้างขวางเลยทีเดียวแล้วก็สีนอภิธรรมจาย์อีกต่างหากมากมายสรบแล้วก็คือสินและวิญญาณเนี่ยสำหรับให้พระสงฆ์ทั้งหลายถ้าใครก็ตามองค์ไหนก็ตามถ้าว่าอยู่ในสินและในวิญญาเหมือนกับอยู่ใน รัว้วเออรั้วทั้งสองข้างร้อยเฮสร้อยยี่สิบห้าเรานี่ใช่ไหมเออที่ยิบเลยแปลว่าไม่ให้เดินแวะออกนอกข้างข้างนู้นข้างนี้ให้เดินตามแนวแถวอยู่ในเกาะหลักเออหลักพัดถักหลักพระวินัยเออนแหละใครอยู่ในเดินตามหลักพระวินัยเป็นรั้วทั้งสองข้างแล้วะเดินไปสู่จุดหมายปลายทาง ถึงมรรคผลนิพพานได้นี่แหละสินท่านไม่ได้มองข้ามดังนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านจึงให้ความสำคัญเรื่องของสินรักสินยิ่งกว่าชีวิตอั น, นี้คำนี้เน่พวกเราพราหมณสถานญาติโยมคงอยากจะฟังว่าสมัยไหนคือพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องวิถไหนเรื่องสินข้อนีน้คือข้อปาณาติบาสเ่พระภิกษุ ไปด้วยกันไปอยู่แม่น้ำฝั่งแม่น้ำอเจรวัดีพระ อ, อยู่ด้วยกันนั่งเก็วงจะเป็นพระหนุ่มนะกำลังขนองนะ เ, อเห็นหงมันบินมาทางอากาศมันเห็นมาเป็นบินเป็นฟูงมา อ, องหนึ่งก็เลยท้าทายขึ้นมาว่าเอ๊ะเนี่ยขงบินมานะถ้าผมดีดก้อนขวดขึ้นไปนะเนี่ย ตกเลยนะตายเลยน่ะทางพระที่อยู่ข้างๆโอ้ยโม้คุ้ยเออมันจะไปฉีด้อยู่บนอากาศขนาดนี้เอาเถอะผมเคยดีดมาแล้วจะเอาตาเอาตาไหนอ่ะข้างไหนเออใครเข้าวดีดใส่หัวเอาตาข้างไหนฮ้เออทางนี้ก็มันมันบินผ่านมาทางมันมองมาทางทางซ้ายใช่ไหมล่ะไอ้พวกพระนี่บอกดีทางขวาแต่ใครเข้าเอาตรงข้ามกันน่ะ ใช่้าเขามันจะดีดได้ไม่ติดทางด้านขวาใช่ไหมลนะ่ะแต่นี่ก็ได้พอนกนกหงมันบินผ่านมาพ่อผ่านมาก่อพระเอานี่ก็ตบมือเปีย้ยพ่อเปี้ยมันมันสะบัดสบัด ต, ต, ตาข้างหนึ่งมันดูมันดูคนนะขนาดที่สบัด ต, ตาประมาณนั้นอันนี้ก็ดีด ก, ก้อนหินขึ้นไปอย่างแรงนะเศีริะปะกของคนมันต่างกันนะพอดีเข้าไปก็ปั้ง ไปถิดถูกตาทางด้านขวาของตาหงเลยนะหงก็โหนหมุนสวรค์ลงมาเลยงนะั้นเออตกต่งลงกับพื้นเลยตายหงตายก็ตายพระที่อยู่ในรอบโอ้ทำไมท่านท่านก็รู้อยู่ว่าท่านจะดีหัวหงให้ตายท่านจึงไหมจึงกล้าทาหงมันก็ไม่ได้ทำอะไรกับท่านเลยท่านทำไมจึงไม่มีเมตตากับหงเลยโอ้เออท่านทำไมทาอย่างนี้ได้ ดูเชถ้าเขาดีใจตาท่านนะท่านตกลงมาอย่างนี้นะท่านจะมีความรู้สึกยังไงทําไมท่านจึงทำได้ที่นี่นะพระสงฆ์ก็เลยเอาเรื่องนั้นไปนกล า, พพาวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติวินยัยบอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็ตามแกล้งฆ่าสัตว์ติรฉานต้องปาจิตตีคือสินส2งอยี่เนี่ขาดไปข้อหนึ่งนี่แหละคือบัญญัติศินต่อมาที่นี้ หลวงพ่อจะเล่าเรื่องอพระเถระท่านหนึ่งท่านไปภาวนาจนได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์ท่านเป็นได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์ท่านก็มาเข้ามาวัดป่าเชิตะวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าเสด็จกับพร้อมกับพระสงฆ์พระเถระท่านนี้ท่านก็ไปบินท่าบาทพอไปบินทาบาทในกรุงสาวัตถีท่านก็ วันนั้นก็บอกฝนตกท่านก็เลยไปยืนไปยืนอยู่ในชายคาบ้านของเขารักษัะอยจากนั้นแหละเขาคนนิมนต์แล้วกุลท่านนิมนต์เข้ามาบินธบาตมาฉันในบ้านของของเราก็ได้พระเทระนั้นก็เลยเข้าไปพอไปสองผัวเมียเนี่ยก็เลยให้ความเคารพ อ, อย่างสุดซึ้งทั้งสองผัวเมียแต่สองผัวเมียนั้นเป็น เป็นนายช่างแก้วนะให้ช่างแก้วก็คือน า, นายช่างจิรนายช่างจิรนายพวกเพชรนินกินดาของพระเจ้าปเสนที่โกศล น, นะให้ เ, เข้าว่าเป็นคนจิรนายแก้วให้ถวายพระเจ้าปเสนที่โกศลแตน่นสองผัวเมียเน่ยค่อยให้ความเคารพรักพระเถ ร, ระพร ะ, พระเถระท่านก่อนนิสยัยเรียบร้อยพราท่านเป็นพระหรหันต์เลยเนี่ยเออท่านก็ไปจันรโอ้ต่อไปก็คุณเพระคุณท่าน ยังไงยังก็ขอใหมนมาฉันที่บ้านแต่นี้ก็พระเถระท่านก็ไปบินธบัตเสร็จแล้วก็มาฉันเพราะปโปรดเขาโปรดสองผัวเมียนะมาโปรดที่บ้านบางทีก็มาฉันที่บ้านบางทีไปบินธบัต ท, ที่อื่นพอได้อาหารมาก็มาฉันที่บ้านเขาสองผัวเมียแล้วก็ปนนิบัตด้วยความเคารพ บ, บูชาอย่างยิ่ง ทีนี้วันหนึ่งสิ่งที่ไมส่สิ่งที่ไม่พึงเกิดนะจึงไม่พึงปรารถนามันเกิดขึ้นนะเออท่านก็ไปนั่งอยู่ในห้องรับแขกเขาเด็ดสองผัวเมียเขาก็ไปจัดอาหารทําอาหารอยู่ในครัวนะเออไปทําอาหารอยู่ในครัวแบบเอเพื่อมาถวายพระเทเระเนี่ยนะนะอาหารที่จริงไหนที่ทั้ทงสองผัวเมียเขาทําเขาก็จะจัดมาแล้วก็จะถวายพระเทระให้ท่านพระเทเรศฉัน พระเทระท่านก็ น, นั่งอยู่ในห้องรับแขกทีนี้คนของพระเจ้าปเสนที่โกศล เ, เขาก็นํอนําเพชรมานําลูกแก้วสมัยนั้นเขาเรียกว่าลูกแก้วแต่ตามจริงมันเป็นเพชรนะนเพชรมามอบให้ น, นายช่างแก้วเจรไนพอเขานามานาช่างแก้วนี่กาลังทำอาหารอยู่ในครัว ทำอาหารอยู่ในกลมเลือดมือมันเปื้อนเลือดเอามันมือมันเปื้อนเลือดเสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่าให้ช่างพระเจ้าแผ่นดินเอาไรนําแก้วให้ท่านมาเจรนายรูปลักษณะอย่างนี้นะนายช่างแก้วนะครับครับปั๊บครับครับเสร็จนั้นก็เอาเอามือที่เปื้อนเลือดนะน่ะไปรับแก้วไปรับแก้วจาก คนที่มาส่งของพระเจ้าปเสนที่โกสนพอรับเสร็จแล้วก็ในนช่างแก้ววางโต๊ะไว้ในโตแะวางโต๊ะที่พระเทละนั่งอยู่นั่นน่ะมีแต่พระเทละองค์เดียวนั่งอยู่นั้นแต่ได้มีในบ้านน่ะมีนกกระเรียนนกกระเรียนตัวหนึ่งนกกระเรียนตัวปากยาวๆน่นเดินโตเตโตเตอยู่ในบ้านเขาพอเดินไปเดินไปมันไปเห็นแก้วไป ไปเห็นแก้วลูกนั่นอ่ะมันก็มันก็ถูกกลิ่นเลือดใช่ไหเออมันถูกกลิ่นเลือดพอแล้วมันก็ขาบมัฟมันก็เกินเลยใช่ไหมก เ, มเกเิดเม็ดเออกืนเพชรเม็ดนั้นอ่ะพอกืนเข้าไปในท้องมันแทีนี้ก็นายช่างแก้วออกก็มามาครับพอเอาอาหารมาแล้วก็จะมาล้างมือแล้วก็จะมาหยิบมาหยิบมันจะมาเอาเม็ด เพชรเม็ดนั้นไปเก็บนะพระเทระเห็นโอ้ตายจะทำยังไงเนี่ยว่าถ้าบอกว่านกกรเรียนกินเนี่ยเขาจะต้องสำแหลค่านกกรเรียนตัวนี้แน่ๆเราจะทำยังไงเนี่ยพระเจราจะคิดไม่ออกเหมือนกันพอเห็นปัญหาเฉพอนาแนตะ่ท่า น, นพอนายช่างแก้วมาท่านเอา้าที่ผมวางไว้ที่นี่มันไปไหนเพชรเม็ดนี่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 แต่ในแต่สองพเมียเนี่ยก็ไปพูดกันในครัวอะไรทีเอ๊ะไม่มีใข่เลยนะมีแต่พระเทละาองค์เดียวนั่งผมว่าพระเทราะนะ่าเนี่ยเอาเพชรเม็รนี้แน่แน่ทางแม่บ้านพัญยาโอ้ยยอตั้งแต่ท่านเข้ามาอยู่บ้านของเราเนะี่ยอากับกิริยาทุกอย่างเนะี่ยท่านเรียบร้อยทุกอย่างเอไม่ที่ฉั น, นไม่คิดเลยว่าท่านจะจะเป็นอย่างนั้นอย่าเปเลยอย่าไปสงสัยท่านเลยนะ พวกเราอย่าไปสงสัยเอาเถอะถ้าไม่ถ้าไม่มีจริงๆเล่านั่นแหละขอเป็นทาสพระเจ้าปเสนเลยเอยอมเป็นทาสท่านจะรับยังไงมันหายอย่าว่ายังไงมันหายนะเลอเรายอมเป็นทาสท่านดีกว่าอย่าไปรังแกพระเถระนะโอ้ยไม่ได้ทางสามีมันไม่มีใครเนี่ยวะมันก็ถึงพระเถระอง์นี้แหละเอาพระองค์นี่แหละเอ า, เอาแต่มันทำไมไม่บอกว่าไปที่ไหนมันก็พระองค์นี้นั่งอยู่ที่นี่นะ ถ้าไม่เห็นถ้าไม่ให้เผานี่เอาเลยจำใครจะเอาอะ่ะพอว่าเทานั้นกัเมียก็ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเอ่ยอย่าอย่าไปทําเถอะวันนั้นจะไปทําอะไรกับท่านนะวันนั้นฉันรับไม่ได้นะท่านทําไม่ฉันจะทําเองพอเท่านั้นพระไอ้นายช่างแก้วนะก็จับมาได้เชือกมาใช่ไหมเออเชือกมามากับพันหัวพระเถระอนะไรนั้น มาพัานที่หัวพระเจ้ะที่พันที่หน้าผากแล้วว่ากนะันเถอะพอพันเสร็จแล้วก็ขันชะนอกแล้วแต่เนี่ยพอเสร็จแล้วก็ขันเลยว่ากันแะต่ขันบิดบิดบิดเข้าไปเหมือนกับขันชะนอกขันไม้เนะี่ยพอขันเขาไปก็เลือดแตกเ น, นี่ๆเพราะมันขันแรงใช่ไหมพอเลือดแตกออกมาทีน่านพระเจ้าท่านก็ให้ขันอท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านกันครับเอเพราะว่าถ้าท่านบอกว่าถ้านกกรเรียนกินน่ พวกที่ว่านายช่างแก้วจะฆ่านกนะท่านคนนะลักสินลักสินยิ่งกว่าชีวิตนะทั้งเราจะตายไปก็าตามเราจะไม่ยอมสินขาดนั่นแหละนะคำนี่แหละพาเทระท่านกันนั่งนายช่างแก้วก็ขันขันขันเข้าไปอาพอขันเข้าไปก็เลือดแตกจากหัวพราเทระพอเลือดแตกมานกกเรียนได้ยินเห็นกลิ่นกลิ่นเลือดใช่ไหมละ่ะมันก็วิ่งดุดุ ด, ด, ด, ดุมา เอ้มันมันได้กินเลือดมันจะมากินเลือดพาเทละเนี่ยนายช่างแก้วกำลังโมโหจัดยังไงแตะอย่างแรงแล้วไงปั้งนกกรนกกระเรียนตอนนั้นกระเด็นไปถูกฝาเลยซักกะกะกะกะกะกะกะกะโตงั้นเถอะเพอาะวาพในในช่างแก้วใช้อารมณ์อย่างแรงนะแตะอย่างแรงเอ่อแตะไปโดนฝาอีกนกกระเรียนตอนนั้นก่นเออพาเทละาเห็นเอ้ยช่ใน นายช่างช่างข่ายข่าวนี้เดี๋ยวไปดูสิว่านกนกมันตายไหมเอ่อนายช่างแก้วพลังโมโหอยู่ไหไม่ท้องว่านกตายเราท่านก็จะตายเหมือนกันนะถ้าท่านไม่บอกว่าไปที่ไหนท่านเอาขโมยแก้วไปใช่ไหมเอ่อทางพาเทระเอ้ยายายาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูซะก่อนเพราะพาเทระท่านหมดกิเลสแล้วใช่ไหมท่านไม่มีอความโกรธแล้วใช่ไหมทำอย่างไี้ท่านก็ไม่โกรธใช่ไหม ถ้าท่านจะตายท่านก็ไม่โกรธเพราะท่านหมดกิเลสแล้วกิเลสราคะโทสะหมดออกหมดออกจากใจของพระอรหันต์แล้วเนี่ยเออไปดูยมยมไปดูดูก่อนดูซิเอาคายคายออกก่อนเขาก็เลยคลายในช่างแก้วก็เลยคลายฉนอออกจากหัวท่านแต่ที่หัวท่านก็แตกเลยเดยพระเทล่ก็เลยจับโอ้ตายจริงจอิงใจจริงพระเทล่าก็บอกโอ้ยมนี่แหละอาตมานั่งอยู่นี่นะ่ะโยมนะ่ะ ไปทําอาหารมาใช่ไหมโยมมันถูกนี่แหละก็มารับมารับแก้วมารับเพชรนะ่ยจากผู้ที่เขามาส่งนั่นนะ่ะมารับโยมก็มาวางไว้ที่นี่ใช่ไหมนกกระเรียนตัวนี้น่ะมันกินกินเข้าไปในท้องมันถ้าว่าอาตมาบอกว่านกกรเรียนกินโยมก็จะฆ่านกกระเรียนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่ไม่ได้บอสนี่แหละ มันตายแล้วก็บชำแหละออกตามมันอยู่ในท้องวันนั้นแหละพอว่าเท่านั้นพระเทเรสบอกพอแล้วกันายช่างแก้วก็เลยชำแหละผ่าท้องมันเข้าไปไปเห็นอแก้วเม็ดนั้นจริงๆพอเห็นนะโ อ, อ้ก่าพระเทะเรอขอโทษขออาภายัยออย่าให้ผมเป็นบาปเป็นกรรมท่านทางผู่เมียนะไม่ว่านะทางผู้เมียก็เสียใจอย่างมากแต่ผู้ผัวเนี่ย ทางนายช่างแก้วนี่ขอแล้วขออีกพระเทระขอให้พระเทระมาฉันที่บ้านของผมอย่างเก่าพระเทระบอกเออเรื่องนี้มันไม่ใช่นะเรื่องเป็นเรื่องของวัตถะเป็นเรื่องของกรรมอาตมาให้โอโหสีอยู่แล้วไม่มีอะไรแต่จะให้อาตมามาฉันที่เก่ามาอีกไม่มาเด็ดขาดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป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 พระปรินิพพานนี่แหละสรุปแล้วก็คือท่านรักสินของท่านคือท่านไม่ละเมิดในสินของท่านยิ่งกว่าชีวิตของท่านถ้าว่าท่านไม่รักไม่รักสินของท่านนะท่านก็บอกจอ้ตั้งแก้วนกกินเขาก็ฆ่านกนะท่านก็สินขาดเพราะว่าท่านรู้อย่แล้วว่าเขาจะฆ่านะ แต่หลวงพ่อบอกขันพระเทระท่านก็คงจะเป็นกรรมของท่านหลวงพ่อว่านะอันนี้หลวงพ่ออินว่านะถ้าเป็นหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่ออินเออในช่งางอัตมาเห็นในช่างนี่แหละนกตัวนี้นะมันกิน เ, ออเพชรเข้าไปในท้องของมนะันาแต่อย่าฆ่านะออถ้าโยมต้องฟังคอาอัตมาก่อนนะ อ, อัอตมาบอกไปแนละ้วต้องปฏิบัติตามนะอ อ, อย่าทำนะถ้าทำนะอัตมาจะไม่พูดออถ้าพูด ฟังเชื่ออาตมาอาตมาจะพูดแนะนําให้ฟังเอ้าครับท่านพระคุณท่านว่าอย่างไรผมปฏิบัติตามนั้นครับาพระเทล่าก็จะบอกเออเนี่ยอาตมาเห็นนกกะเรียนมันกินแก้วเข้าไปเอาเธอนะ เ, าเราต้องช่วยกันดูให้เอามักตลอดหรือเราหมักสมอก็ได้ให้มันกินนกกินเกาะปากมันให้มันถ่ายท้องอันมันถ่ายออกมาแล้ว เ, าเรายังค่อย เนียังค่อยเอาเพชตรตัวนี้เพราเพชรมันอยู่ในนี้ละอยู่ในท้องนกตัวนี้ละ่ะหลวงพ่อว่ามันคงไม่ตายเพราะมันกินกินยาถ่ายใช่ไหมละ่ะเอ่่มกินยาถ่ายมันคงไม่ตายเอ่เมื่อมันถายออกมาแล้วเรายังค่อยยังค่อยเอาเพชรเนี่ยเม็ดนั้นะถ้าเป็นหยลวงพอ่อหลวงพ่อจะคิดว่าน่าจะใช้อย่างนั้นแต่พระเทรศท่านคงคิดไม่ออกนะในช่วงนั้นนะเพราะมันชกระหกนะ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 เป็นสมหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเรื่องทานยังมองข้ามอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าคนที่จะไปสู่ความสุขความเจริญได้เดินทางสะดวกราบรื่นได้เขาอันนี้สงทานอันนี้สงสีนก็คือสงสีคุ้มครองและอันนี้สงภาวนาคือชำระจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส น, นี่แหละขอให้พวกเราพันธสัญญาญาติโยมลูกหลานทุกๆคนนะ อไตั้งอกตั้งใจมีทานมีศีลมีภาวนาเรื่องภาวนาในสําคัญมากในหลักของพุทธศาสนาพระพรุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพนั่นพราะพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสาเหตุพุทธศาสนาคืออะไรคือพระพุทธเจ้าไปภาวนาที่โคนต้นโพนั่งสมาธิจากนั้นได้สําเร็จได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตอนหัวค่ำปุบเพนิวาสานุสติยาและลึกชาติโหนหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปะตาตยารู้จักว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรใช้กรรมอย่างไรเฮอันนี้ว่าจุตูปปาตยาพอจวนสว่างอาสาวะคยาจญ า, านอย่างรู้ว่าเพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ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 อันนีหละคือสรุปแล้วก็คือเรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จุดสําคัญที่สุดคือจุดที่ท่านได้สําเร็จเป็นสําเร็จมากสําเร็จผลก่อนที่ท่านสําเร็จมากสําเร็จผลท่านทําอย่างไรก็อย่างที่พวกเราท่านทาั้งหลายนั่งภาวนาแห่ในหลัเลือกภาวนาเป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้แนะแนวและกล่าวเรื่องทานเรื่องศีล เรื่องศีลเน้นเรื่องศีลให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะถ้าต่อนี้ไปก็ให้อาจารย์เจริญเปิด MP3 ของหลวงตาต่อนะเอาพวกเรานั่งสมาธินะที่นี่นะนั่งฟังถึงนั่งขัดสมาธิฟัง